ก็ขอให้เราน้อมใจสงบฟังคำบรรยายแม้ ว, ว่าจะมีเสียงรบ ก, กวนบ้างเช่นเสียงฝนนะก็อย่าให้มาเป็นเครื่องรบ ก, กวนจิตใจของเรา เรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแต่ว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยมนุษย์จะเป็นสัตว์ประเสริฐได้ก็ต่อเมื่อมีการฝึกฝนคือถ้าไม่ฝึกฝนแล้วมนุษย์ก็อาจจะตกต่ำหรือเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์ก็ได้ เพราะว่าสมองของมนุษย์ก็อาจจะถูกใช้ไปในทางที่เห็นแก่ตัวในบางกรณีสัตว์นี่อาจจะประเสริฐกว่ามนุษย์ก็ได้เพราะว่าสัตว์นี่ก็ก็มีคุณธรรมเหมือนกันนะเราอย่าไปนึกว่ามนุษย์ทนั้นที่มีคุณธรรมและทำให้มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ คุณธรรมก็มีในสัตว์เหมือนกันเมื่อสักสองปีก่อนก็มีข่าวว่าที่ประเทศอาร์เจนตินานี่เขามีคนเนี่ยทิ้งลูกเด็กอ่อนไว้ที่สวนสาธารณะตอน น, นอาฏกาหนาวมากเป็นเดือนธันวาคมปรากฏว่าใกล้ๆ ก, กันนั้นเนี่ยมันมี หมาแม่ลูกอ่อนก็อยู่ห่างกันสักร้อยสองร้อยเมตรได้ปรากฏว่าหมาตัวนั้นเนี่ยมันก็ไป ไ, ไปคาบจะเรียกว่าลากดีกว่า น, นะไม่ใช่คาบเรียกว่าลากลากเด็กอ่อนทาลกนั้นเนี่ยมาที่รังของมันแล้วมันก็กกาเอาไว้พร้อมกับลูกน้อยของมัน ทำไมถึงกบก็เพราะว่ามันหนาวมากแล้วก็สัญชาตญาณของสัตว์ก็คงจะรู้ว่าถ้าไม่ทาอย่างนั้นทารกน้อยก็จะตายนะก็กกอาาอกไปจนกระทั่งมีคนมาเจอแล้วเขาก็ดูร่องรอยก็เห็นร่องรอยการลากนะเด็กมันกคงลากดีนะเพราะว่าบาดแผลมีน้อยมากในตัวทารกอันนี้ก็เป็นความความเมตตา ของสัตว์นะซึ่งมีเรื่องที่เคยเล่าเมื่อวันก่อนว่าเคยมีคนช่วยฉลามวานเอาไว้มันติดติดตาคายฉลามวานตัวใหญ่มากขนาดห้าเมตรได้ดูนปกติฉลามวานวาเพราว่าพอเขาช่วยมาแล้วมันติดใจมันก็เลยตามตามชาวประมงคนนี้ไป ไม่ได้ตามไปเพื่ออะไรแต่ว่าตามเหมือนกับว่าเป็นมิตรหรือว่าสำนึกในบุญคุณมันไว้ใจชาวประมงคนนี้มากขนาดที่เรียกว่ายอมโผล่หัวขึ้นมาให้เขาจับหัวจับจมูกนะแต่ต น, นที่ปากมันใหญ่ขนาดที่เรียกว่างับคองับหัวของชาวประมงคนนี้ได้แต่ว่ามันก็มีผลเสียนะพอปลามันตาม ชาวประมงคนนี้ตามเรือไปก็เลยจับปลาไม่ค่อยได้เพราะว่าปลานี่มันกลัวเราฉลามหวานแต่เขาก็ว่าไม่เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นมิตรภาพซึ่งสัมพันธ์กับด้วยคุณธรรมเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่ามนุษย์เราประสบก่อศาสตว์ตรงที่มีคุณธรรมมันก็ยังไม่พูดได้ไม่เต็มปากโดยเพราะถ้าเกิดว่าไม่ฝึกฝนเลยเนี่ยไอ้คุณธรรมที่มีในสัญชาฤตยานเดิมของมนุษย์ก็อาจจะถดถอยไป อาตมาเชื่อว่าคุณธรรมนี่มันมีในมนุษย์มาตั้งแต่เกิดทารกเวลาเอาทารกหลายๆคนมามันนอนมันเล่นมากลิ้งอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยถ้าเกิดมีเด็กคนไหนคนหนึ่งร้องขึ้นมาทารกคนหนึ่งก็จะหันไปมองแล้วก็ถ้าคลานแล้วก็จะคลานไปห า, าเหมือนกับว่าเห็นใจอยากจะไปช่วยไม่ได้รู้สึกลำคาญนะ แต่ถ้าเกิดว่าเขาเคยทดลองเอาเสียงของทาลกคนหนึ่งเนี่ยมาเปิดปรากว่าเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวคือเจ้าของเสียงเนี่ยได้ยินเสียงของตัวก็ไม่สนใจเขาอยากแยกได้ว่าอันไหนเป็นเสียงตัวไหนเป็นเสียงของเพื่อนเขาก็จะไม่ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองกับเสียงของตัวเองที่ ท, ท, ที่ถ่ายเทปออกมา ฉันเพื่อนเราเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีสัญชตาตญาณที่เป็นคุณธรรมอยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถจะทําได้มากกว่า น, นั้นถ้าเราฝึกฝนแล้วการฝึกฝนของเราก็จะทําให้เราสามารถที่จะมีเมตตากรุณาที่กว้างใหญ่จริงกว่าที่เรามีหรือติดตัวมาตั้งแต่เล็กในทางพุทธศาสนาเนี่ยการฝึกฝนเป็นเรื่องสําคัญมาก คำว่าบารมีก็ดีคำว่าสิกขาอย่างในใจสิกขาก็ดีเนี่ยก็คือการศึกษาเป็นเรื่อ ง, องการฝึกฝนไม่ใช่อ่านเอาไม่ใช่ดูตำรับตำราแต่เป็นเรื่องการฝึกนะและการฝึกนี่เราก็มีจะเรียกว่ามีสูตรของการฝึกนะใจสิกขานี่แหละคือสูตรของการฝึกก็คือฝึกตั้งแต่กายวาจาเราเรียกว่าศีล ฝึกตั้งแต่กายวาจาที่ไม่ไปเบียดเบียนใครแล้วก็กลายมาเป็นการช่วยเหลือเกื้อเฟื้อเกอื้อกูลกันด้วยการให้ทานบ้างด้วยการาสละแรงกายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นบ้างนะ น, นี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นศีนลหลังจากนั้นก็มาฝึกที่ใจซึ่งแบ่งออกเป็นสองคือฝึกด้านอารมณ์แล้วก็เรียกว่าฝึกสมาธิ ฝึกอารมณ์ให้มีเมตตาฝึกอารมณ์ให้มีความอดทนฝึกอารมณ์ให้มีสตินะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของสมาธิสมาธิในที่นี้หมายถึงเรื่องการฝึกจิตโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอารมณ์ถ้าเป็นปัญญานะ น, นี่ก็เป็นขั้นสุดท้ายของการฝึกเพราะว่าพุทธศาสนาชื่อว่ามนุษย์เราจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะมีการฝึกตน ทั้งศีลสมาธิและทิศสมัยคือปัญญาเราคงเคยได้ยินคาว่ามนุษย์ล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรอันนี้เป็นพุทธภาษิตทําไมถึงล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรก็เพราะว่าความเพียรโดยพ่อที่เป็นการฝึกตนเท่านั้นที่จะทําให้มนุษย์เราสามารถจะเอาชนะหรือว่าอยู่เหนือความทุกข์ได้ศา ส, สนาอื่นจะบอกว่ามนุษย์ล่วงทุกข์ได้เพราะศรัทธาคือถ้าศรัทธาในพระเจ้าแล้วก็จะ ล่วงทุกข์ได้แต่พุทธศาสนาไม่ได้มองอย่างนั้นเพราะว่าไม่เชื่อมีพระเจ้าที่จะมาดลบัรดาลให้เรามีความสุขหรือปลอดจากความทุกข์ได้แต่ว่าเราจะจะเป็นสุขหรือเป็นอิสระจากความทุกข์ก็เพราะว่าเรามีการฝึกฝนฝึกฝนตรงไหนก็ฝึกฝนตรงนี้แหละศีลสมาธิปัญญานะโดยเพราะการฝึกให้เกิดปัญญาจนกระทั่งสามารถปล่อยวางไม่ยึดติด ความยึดติดคือร่ากเงาแห่งความทุกข์ยึดติดในทรัพย์ยึดติดในกามยึดติดในความคิดเห็นยึดติดในความมีตัวตนพวนี้คือร่างเงาแห่งความทุกข์ที่นำไปสู่โลภะโทสะโมหะแล้วเรื่องการปฏิบัติตนการฝึกฝนตนเป็นเป็นเป็นหัวใจของความเป็นชาวพุทธไม่ใช่เป็นเรื่องของการอธิษฐานการอ้อนวอนการฝึกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องฝึกในห้องเรียนนะ สามารถจะฝึกได้ในในชีวิตประจำวันนะการให้ทานนี่เราก็ทำเราก็ทาได้ตั้งแต่เช้าไม่จาเป็นต้องทำกับพระเราทำกับใครก็ได้นะคนยากคนจนทำกับสัตว์ทำกับเพื่อนบ้านก็ได้นะคนสมัยก่อนาก็ทำกันอย่างนี้แหละอาหารเช้า ม, มีมีก็มาแบ่งปันกันนะ แล้วก็ทำถวายพระด้วยศีลภาวนาอันนี้ก็ชัดใหญ่ว่าเราก็สามารถทำได้เรืงการปฏิบัติเนี่ยโดยเฉพาะแม้กระทั่งการภาวนาคือการฝึกจิตเนี่ยเราก็สามารถจะทำได้ในชีวิตประจำวันทำที่บ้านตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ทำได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจล้วก็คิดว่าจะต้องมาที่วัด หรือว่าจะต้องมานั่งสมาธิในห้องพระถึงจะเรียกว่าภาวนาอันนั้นเนี่ยไม่เรียกว่าไม่ฉลาดเพราะว่าการปฏิบัติหรือการฝึกฝนเนี่ยมันต้องทำได้ตลอดเวลาแล้วก็ควรทำด้วยนะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยจะสามารถได้ประโยชน์จากเวลาที่มีนะจะทำอะไรก็ตามสามารถจะ แปลหรือเปลี่ยนให้เป็นการปฏิบัติธรรมได้ไปพร้อมๆกันเริ่มตั้งแต่การอาบน้ำการถูฟันการกินข้าวนะการทำงานทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมได้ไปพร้อมๆกันท่าอาจารย์พุทธะกนเน้นอยู่เสมอว่าการทางานคือการปฏิบัติธรรมทำงานไม่ว่าจะเป็นการทำมาหาเลี้ยงชีพหรือว่าการทำงานในบ้านทำงานในครัว กิจวัตรน้อยใหญ่เอเรียบดน้อยใหญ่เป็นการปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นนะอย่างที่บอกไว้เมื่อเช้า ว, ว่าเวลาเราอาบน้ำชำระกายเนี่ยมันสามารถจะเป็นการชำระใจได้ถ้าเราอาบน้ำอย่ามีสติหรืออาบน้ำด้วยการวางใจให้เป็นกุศลนะหรือว่าเวลาเรากินข้าวมันไม่ใช่เป็นการเติมอาหารให้กับกายเท่านั้นแต่อย่างเป็นการ ให้อาหารใจได้ด้วยถ้าเรากินอย่างมีสติกินอย่างพิจารณาเขาเรียกว่า t o in one ได้นะคือทำทีเดียวได้สองอย่างนะได้ทั้งกายได้ทั้งใจแต่ว่าไม่ใช่ทำอีกแบบหนึ่งนะถ้าทำอีกแบบหนึ่งก็อาจจะไม่ใช่อย่างที่พูดเช่นว่ากินไปด้วยก็คิดไปด้วยนะกินไปด้วยก็คุยเรื่องปรึกษาเรื่องงานเรื่องการกันหรือว่า ทำหลายเอย่างพร้อมกันเช่นกินข้าวไปดูโทรทัศน์ไปแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยนะแล้วก็สนทนาปรึกษาการงานไปด้วยเนี่ยสีอย่างในเวลาเดียวกันอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติอย่างฉลาดเพราะว่ามันจะทำให้ไม่ได้อะไรดีสักอย่างนะและที่สำคัาคือว่าจิตใจก็แย่ดดคือขาดสมาธิ การปฏิบัติเนี่ยเราต้องฉลาดหลวงพ่อคำเขียนใช้คําว่าช่วยโอกาสต้องฉลาดในการช่วยโอกาสคือว่าเอาทุกอย่างเป็นการปฏิบัติทําได้หมดนะไม่มีสิ่งใดที่เสียเวลาบางคนที่บอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมนี้ก็จะเข้าใจผิดยกตือย ง, ง่ายๆเนี่ยเวลาที่เราอยู่ในห้องน้ําเนี่ยวันหนึงประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงนะ ทั้งตลอดชีวิตของเราเนี่ยเราจะอยู่ในห้องน้ําประมาณเกือบเจ็ดปีตลอดทั้งชีวิตของเราเนจะอยู่ในห้องน้ำอย่างเกือบเจ็ดปีบางคนอาจจะมากกว่านั้นด้วยถ้ารวมเวลาแต่งตัวในห้องน้ําเนี่ยนั้นถ้าเราเอาเวลาเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นโอกาสในการปฏิบัติธรรมเช่นเจริญสติไปด้วยนะมันก็ได้เยอะแล้วนะถึงแม้ว่าจะไม่มีเวลามาวัดถ้ามีเวลาเข้าห้องน้ํานั่นแหละคือเวลาปฏิบัติธรรม เวลารถติดเนี่ยโดยเฉาะคนอยู่กรุงเทพเนี่ยเราติดเราอยู่บนรถขณะที่รถติดเนี่ยวันหนึ่งสามสี่ชั่วโมงมีคนประมาณว่าโดยเฉลี่ยคนกรุงเทพเนี่ยอยู่บนรถอยู่บนถนนเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยหกสบห้าวันหกสิห้าวันนี่คือคูณยีสบสี่ชั่วโมงนะก็คือเกือบพันหกร้อยชั่วโมงเราอยู่บนรถนะแล้วถ้าเราอยู่บนรถขณะที่รถติดเราเอาแต่หัวเสียเอาแต่หงุดหงิดเนี่ย อันนี้ก็แสดงว่าไม่ฉลาดขาดทุนแต่ว่าถ้าเราเอาเวลาพัน0อชั่วโมงนั้นเนี่ยนะมาเป็นเวลาของการปฏิบัติธรรมด้วยก็คือว่าเออถ้ารถไม่รถไม่ขยับไม่ขยือ่อนเราก็เจริญสติไปตามลมหายใจหายใจเข้าหายใจออ ก, ห, ออกหรือฟังเทพธรรมะให้ใจเป็นกุศลอันนั้นก็เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมแม้จะอยู่บนรถนะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ฉลาด ในการใช้ทุกโอกาสให้เป็นการปฏิบัติธรรมโดือพการฝึกจิตนะพุทธศาสนาเนี่ยจะจะเป็นศาสนาที่เน้นแล้วก็เชื่อเลยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราทั้งกายและใจสามารถเป็นเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นเวลาเราโกรธเนี่ยเวลาเราโลภเนี่ยนะมันก็ มันก็นกเป็นประโยชน์ได้เหมือนกันนะนักปฏิบัติก็คงทราบดีอยู่แล้วว่าเออเวลาโกรธเนี่ยเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นแนะถ้าเห็นความโกรธเกิดขึ้นนี่ถือว่ า, าได้กำไรนะเพราะว่ามันกำลังสอนทำให้แกเราอาจจะสอนให้เห็นว่าโอ้นี้เรานี่เป็นคนโกรธง่ายหรืออาจจะทำให้สอนให้เราอาจจะเป็นเครื่องมือในการฝึกสติ เพราะว่ า, วาถ้าสติอ่อนเนี่ยพอโกรธปุ๊บเนี่ ย, ยก็จะเป็นผู้โกร ธ, ก, รธก็จะงุนงงลำคาญใจกลายเป็นผู้ทุกข์นักปฏิบัติธรรมต้องเจอความโกรธบ้างนะเพื่อจะได้ซ้อมเพื่อจะได้ซ้อมในการฝึกสติเพราะถสติเราไวเนี่ยเราก็จะเห็นความโกรธได้ทันโดยเพราะการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะจะไม่เน้นเรื่องความสงบเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นของดี เป็นเครื่องมือในการฝึกสติแล้วเวลาปฏิบัติเนี่ยหลายคนเนี่ยพอปฏิบัติแล้วเนี่ยมันสงบหลวงพ่อเทียนท่านจะบอกเลยว่าให้เดินเร็วๆให้สร้างจังหวะเร็วๆให้ทําทําไมก็เพื่อกระตุ้นให้ความคิดมันออกมานะความคิดออกมาก็แปลว่าฟุ้งซ่านนั่นแหละนะแต่ว่าคนที่เป็นนักปฏิบัติเขาไม่มองว่ามันเป็นโทษเขามองว่ามันเป็นเครื่องฝึกสติคือเป็น เป็นสิ่งซ้อมซ้อมให้สติ ม, มีความไวกระฉับกระเฉงเหมือนนักมวยนะต้องต้องมีคู่โชคอยู่เสมอถ้าไม่มีคู่ชกเนี่ยหรือว่ามีคู่หรือคู่ชคนี่อ่อนแอเนี่ยนักมวยนั้นไม่เข้มแข็งนะต้องเจอคู่ชคที่ฉลาดที่ไวที่เก่งปราดเปรียวพอๆกันนักชกคนนั้นถึงจะฉลาดนะแล้วยิ่งถ้าเป็นนักชกที่ถ้าเป็นคู่ชคที่อึดด้วยเนี่ยนะก็จะทําให้ให้ให้เข้มแข็งแข็งแรง บางทาีเจอคู่โชคที่ที่ที่ที่โดนน็อกเร็วนะไม่ได้ดีเสมอไปนะคู่โชคที่โดนน็อกเร็วเร็วเนี่ยเพราะว่าจะทำให้นักมวยคนนั้นเนี่ยไม่มีความอึดแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าที่ที่อะไรนะอ่อ c a s s ซต์เคลย์มูฮัมหมัดอาลีเนี่ยสามารถจะคว่ำยอสโฟแมนได้อาสมาเคยดูสมัยเด็กๆใครๆก็บอกว่ายอสโฟแมนเนี่ยต้องคว่ำแคสเซต์เคลหรือมูฮัมหมัดอาลีได้ในยกที่3ยกที่4สู้ไม่ได้เลยเพราะว่าเขาสามารถทำงั้นมาได้ตลอดในสิ่งที่แคสเซต์เคลย์ทำก็คือว่ามูฮัมหมัดอาลีทำก็คือว่ายอมให้ต่อยยอมให้ต่อยต่อยต่อยต่อย นะต่อยจนกระทั่งยอดโฟร์แมนนี่หมดแรงตั้งแต่พอถึงยกที่สิบนี่หมดแรงแล้วเพราะว่าไม่เคยไม่เคยชกหมวยเกินยกที่หายกที่6พอไปถึงยกที่สิบหมดแรงก็เลยโดนมู hammad ali คว่ําไปเลยพลิกล็อกหักเซียนเซียนหมวยนะเพราะว่าเขารู้ว่ามู h หมัดอ ali ฉลาดพอที่รู้ว่ายอดโฟร์แมนเนี่ยไม่เคยต่อยนักมวยจนถึงครบ ยกที่ส0บเลยเพราะฉะนั้นพอถ้าเกิดว่าทู่ซีให้ยนืนให้ให้ยืนถึงยกที่10นี่เสร็จแน่หมดแรงสะกแอนวก็ชนะได้อันนี้ก็เป็นตัวเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวอย่างว่าการที่ เ, เจออะไรที่มันง่ายๆเนี่ยนะมันก็กลายเป็นปัญหาได้แต่ถ้าพอเจออะไรที่ยากๆนี่ก็กลายเป็นข้อดีทำให้เกิดความอดทนขึ้นมาขึ้นมาความกลัวก็ดีนะความ ุดหยิดก็ดีสําหรับนักปฏิบัติธรรมต้องรู้จักช่วยโอกาสมาให้เป็นของดีแม้กระทั่งความโลภแม้กระทั่งความอยากสบายในสาวพุทธการเนี่ยมีพระรูปหนึ่งเนี่ยมาบวชเพราะว่าเห็นว่าเป็นพระนิสัยสบายเนื่องจากตัวเองเนี่ยเป็นญาจกเป็นญาจกเข็นใจเห็นว่าพระเนี่ยในสํานักของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีกินมีจีวรก็เลยมาบวชไม่ได้มีความต้องการอะไรมากกว่า น, นี้เลย มาด้วยกิเลสแท้ๆเพราะขี้เกียจแต่พอมาบวชแล้วเนี่ยได้มีกินมีนอนก็จริงแต่ว่าชีวิตของพระนี่ก็ค่อนข้างจะมีวินัยเข้มงวดก็เริ่มเบื่อรู้สึกว่าไม่อยากทนความยากลำบากอยากจะสึกและสิ่งที่แกทำสิ่งที่ทัตพระรุมนี้ทำก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่เบื่ออยากจะสึกเนี่ยก็จะเข้าไปในป่าในป่าแล้วเนี่ยจะแขวน จะแขวนจะเก็บเสื้อของตัวเองเอาไว้ที่ตอนเป็นคารวาสพอมาเห็นเสื้อที่รุ่งลิ่งขาดวิ่นก็ได้ระลึกว่าโอ้เป็นเป็นคารวานี่ถ้าสึกออกไปนี่ลำบากนะความกลัวที่จะลำบากก็ทำให้เปลี่ยนใจไม่สึกก็เดินออกจากป่า ทำอย่างนี้หลายครั้งเพราะความคิดอยากจะสึกนี่มีเยอะมากนะเข้าๆออกอย่างนั้นแหละแต่สุดท้ายก็ไม่สึกและในสุดก็ปฏิบัติทําความเพียรจนบระลูทามเป็นพระอรหันต์ตอนหลังเพื่อนพระก็ถามว่าเดี๋ยวนี้ไม่เข้าไปในป่าแล้วเหรอมีแล้วเนี่ยเวลาเวลาใครถามว่าเข้าไปในป่าทําไรพระลู น, นี้ก็บอกไปหาอาจารย์ใช่ไหมแต่ตอนหลังนี่พอไม่เข้าไปในป่า คนถามว่าไม่เข้าไปในป่าแล้วเหรอเขบอกว่าไม่ต้องการอาจารย์แล้วพระแล้ทั้งหลายก็หาว่าท่านพระรูปนี้เนี่ยอวดอุตริมุสธรรมอวดคนในวิเศษไปฟ้องถุนพระเจ้าพระเจ้าก็เบอกว่าเนี่ยท่านผู้นี้บรรลุธรรมเป็นพระอารหันต์แล้วนะคือที่เป็นพระอารหันต์ได้ก็เพราะอะไรเพราะว่าส่วนนึงก็เพราะว่าไม่อยากลำบาก <c oughs> เห็นชีวิตพระเห็นชีวิตคารวะมันลำบากนะเอาความเอาความ ความรักสบายหรือว่าความกลัวลำบากเนี่ยมาเป็นเครื่องมือมาเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้อยู่ต่อมาเป็นเครื่องมือในการทำให้บวชพระ ต, ต่อจนกระทั่งบรรลุธรรมได้เพราะนั้นไ อ, อ้ความความักนสบายความอยากสบายกลัวลำบากนี่ใช้ให้เป็นก็มีประโยชน์นะไอ้ความรักสบานี้ก็ถือว่าเป็นตันหาอย่างหนึ่งตันหานี่ถ้ามาใช้ให้ดีก็สามารถละตันหาได้ ความโลภเนี่ยเอามาใช้ให้ดีก็ช่วยให้ในการทำสมาธิได้เหมือนกันนะหลวงปู่ขาวมีประวัติหลวงปู่ขาวตอนหนึ่งว่ามีเช้าวันหนึ่งเนี่ยก็มีแม่พาลูกวัยสามสี่ขวบมาถวายจังหันก็มาถวายใกล้ๆหลวงปู่เด็กน้อยเห็ น, นเห็นเงาะ ท, ที่ที่แกะเปลือกออกสวยงา ม, งามเด็กไม่เคยเห็น อีสานนะั้นนะไม่ค่อยเห็นสมัยก่อนมันไม่ใช่ว่าจะเห็นกันได้ง่ายๆเห็นก็อยากกินนะเด็กก็ก็เดินเข้าไปจะไปจีบนะหลวงปู่ขาวก็ไม่ว่าเลยแต่บอกว่าอยากจะให้อยากจะกินก็ได้นะแต่ต้องแลกกันเ <c oughs> ด็กก็ถามว่าแลกกับอะไรหลวงปู่ขาวบอกว่าต้องแลกกับสมาธิเด็กก็ถามว่าสมาธิทํำยังไงท่านก็บอกว่าเนี่ยให้เอาเท้าซ้ายทับเท้าเท้าขวาแล้วก็หลับตา แล้วก็บริกรรมท่านคงไม่ใช่เพราะบริกรรมมันนะเดี๋ยวก็ถามบริกรรมอะไรนะก็อยากกินงอไม่ใช่เหรกหงงอก็นึกถึงหมัก ง, งอนะภาษาอีสานหมังงกงอเวนะลาหลับตานึดถึงหมักงอหายใจเข้าหายใจออกก็นึกถึงหมัก ง, งอบริกรรมไปด้วยหมากงอหมักงอเด็กบอกเออเอาเอาสิเอานะใหม่ใหม่ทำนันก็น้ํำลายไหลนะนึกถึงหมักงอน้ํำลายไหล แต่ว่าก็ทำไปทำไปทำไปปอกว่าสงบนะสงบนิ่งจนกระทั่งได้ยินเสียงะระฆังก็เปิดตาขึ้นมาปอกว่าแม่ก็ไม่อยู่ละพระเพลย่าโยมที่มาจังหายก็หายไปแล้วเหลือแต่หลวงปู่ข้านั่งอยู่ใกล้ๆปอกว่าตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายสามเด็กนั่งตั้งแต่แปดโมงเช้านะถึงบ่ายสามที่ตีะระฆังพ่อตีะระฆังพระมาม า, มาทำงาน นะอันนี้คือเด็กคนนี้เนี่ยเขาอยากกินเงาะหลวงปู่ขาวท่านก็ใช้ความอยากของเด็กเนี่ยมาเป็นเครื่องมือมาเป็นอุบายในการทำให้เด็กเนี่ยเกิดสมาธิได้นะหลวงพ่อพุธก็มีลูกศิษย์เป็นพระบวชใหม่เป็นพระบวชใหม่ก็อยากจะก็คิดถึงแฟนคิดถึงแฟนกีความกะสันอยากจะสึก หลวงปู่ขาวก็บอกว่าก็ทำสมาธิไม่ได้เลยนะทำสมาธิเราเห็นแต่หน้าแฟนนะพุโทโธไม่ได้เลยหลวงปู่ข้หลวงหลวงพ่อพุทธรู้นท่านลุ้ล ก, ก็ถามว่าแฟนชื่ออะไรก็บอกชื่อแฟนไปแล้วท่านก็บอกเออนั่นแหละเอาชื่อแฟนมามาบริกรรมก็แล้วกันนะสมมติชื่อแฟนว่าสมหญิงก็พุทหายใจเข้าสมหายใจออกหญิงสมหญิงสมหญิง ในเรื่องนะสมาธิ <S <S เกิดทันทีเลยนะนะคือเนี่ยคืออะไรที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันก็มีประโยชน์ถ้ารู้จักใช้นะอันนี้เรียกว่าเป็นชาวผู้เราต้องเป็นผู้ช่วยโอกาสที่จะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจมาให้เป็นประโยชน์ในเรื่องการฝึกฝนตนอันถ้าเราจับตรงนี้ได้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ตาม นะเช่นเวลาเจอเจอคำตำหนิหรือว่าสูญเสียทรัพย์เงินหายหรือว่าเจ็บป่วยนะทั้งหมดนี้เนี่ยมันสามารถจะเป็นอุปกรณ์หรือเป็นโอกาสในการปฏิบัติธรรมได้นะสิ่งที่เราคิดบอกคิดมองว่าไม่ดีเนี่ยความพัดภาคสูญเสียความเจ็บความป่วย คำตาหนิติฉินทั้งหมดนี้เนี่ยถ้ามองให้ดีเนี่ยมันสามารถสอนใจเราได้สอนเราได้หลายเรื่องเช่นความเจ็บป่วยก็สอนเรื่องอนิจจังสอนเรื่องทุกขังนะเงินหายโทรศัพท์หายก็สอนเราว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราจริงๆเลยไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปได้นานนะนี่เขากําลังสอนเราว่านะ ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปได้นานๆและอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าต่อไปอาจจะเจอหนักกว่านี้นะคนฉลาดนี่ก็จะมองว่าเนี่ยเ <Yeah. S 1> หตุการณ์เหล่านี้กลาลังสอนธรรมะแ ก, ก่เราแล้วคนทั่วไปเนี่ย <Yeah. S 1> เวลาเงินหายเนี่ยไม่ใช่หายแตงเงินใจก็หายด้วยนะเวลาโทรศัพท์เสียเนี่ยไม่ใช่เสียแต่โทรศัพท์ใจก็เสียด้วยเวลาป่วยเนี่ย ไม่ใช่กายป่วยอย่างเดียวใจป่วยด้วยนะโทรศัพท์หายเงินหายอันนี้คนอื่นอาจจะขโมยไปแต่ว่าใจเสียใจหายเนี่ยหรือว่าใจทุกเนี่ยเราทำเองเรากำลังทับถมตัวเราพื่เจ้าตรัสว่าอย่าเอาทุกมาทับถมตนคนที่ทำเงินหายถูกขโมย แล้วอย่างทุกเนี่ยแสดงว่ากําลังทับถมตนกําลังซ้ําเติมตัวเองคนที่เจ็บป่วยป่วยกายแล้วป่วยใจด้วยทุกข์ใจด้วยนี่เรียกว่ากําลังซ้ําเติมตัวเองพระเจ้าเปรียบว่าเหมือนกับโดนธนูสองดอกธนูดอกแรกอนนี้มีคนยิงมาให้แต่ธนูที่ดอกที่สองนี่เราเสียบอกตัวเองนะอันนี้ตามาขยายความอันนี้เราว่าเรากําลังซ้ําเติมตัวเอง ผู้ฉลาดเนี่ยจะไม่ซ้าเติมตัวเองแล้วก็ถ้าฉลาดกว่านั้นเนี่ยก็สามารถเอาเหตุร้ายเนี่ยมาเป็นประโยชน์ในการสอนธรรมหรือฝึกฝนตนได้นะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าช่วย เ, เงินหายของเสียนะเจ็บป่วยเนี่ ย, เ, ยเขากำลังสอนธรรมะแ ก, กเราว่ามันไม่มีอะไรเที่ยง ทรัพสมบัติก็ไม่ใช่เป็นของเราจริงๆความพัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตสังขารนะมันก็เต็มไปด้วยทุกข์และกาจะบอกหรือเตือนเราอีกว่าต่อไปจะเจอหนักกว่านี้ถ้ามีคนหนึ่งเขาโทรศัพท์หายแล้วก็มีความทุกข์มากเพราะโทรศัพท์ราคาแพงก็เลยไปไปหาหลวงพ่อ ไม่ได้ไปหาตำรวจนะไปหาหลวงพ่อเพราะท่านนั่งทางในได้ให้ช่วยหานยะว่าจะได้คืนไหมแล้วว่าจะได้เจอที่ไหนหลวงพ่อท่านก็เป็นก็เป็นพาพปฏิบัตินะท่านไม่ได้ถามว่าโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรหายที่ไหนท่านถามว่ า, ามีทองไหมมีมีครับต่อไปก็หายนะมีรถไหมมีครับ ต่อไปก็ไปนะมีแฟนไหมมีครับเออต่อไปก็หายเหมือนกันเจอวันนี้ถ้าแกไม่อยู่ต่อแล้วกราบหลวงพ่อเลยแล้วก็ไปเลยไม่ได้ไปเพราะกลัวว่าจะจะถูกแช่งหนักกว่า น, นี้นะแต่ว่าได้คิดว่าโอ้ต่อไปนี่เราจะต้องเสียมากกว่า น, นี้นะไม่ใช่แค่เสียโทรศัพท์ต่อไปจะต้องเสียมากกว่า น, นี้งันโทรศัพท์หายก็กลายเป็นสัญญาณเตือนว่าหนึ่งนะต่อไปต้องเจอหนักกว่า น, นี้ และสองมันก็อาจจะบอกเราว่ายังดีนะที่หายแค่นี้นะถ้าเรามองแค่นี้นะหนึ่งมันเตือนเราว่าต่อไปจะเจอหนักกว่า น, นี้ป่วยวันนี้จะไม่เท่าไหร่ป่วยวันหน้าจะหนักกว่า น, นี้และมันเตือนว่าเนี่ยยังดีนะที่เราเจอแค่นี้นะถ้าเราคิดแบบนี้ข้อเนี่ยเราฉลาดเราจะเราจะหลุดจากความทุกข์ได้เรากลับจะรู้สึกว่าโชคดีได้ซ้าที่เราหายแค่นี้หรือว่าป่วยแค่นี้นะ มันไม่ใช่แค่สอนสัจธรรมนะแต่ว่ายังสามารถจะฝึกใจเราได้นั้นเมื่อกี้พูดว่าสอนสอนธรรมะกแก่เราขณะแต่การสิ่งร้ายๆในชีวิตเหตุการณ์ไม่ดีในชีวิตก็สามารถจะฝึกใจเราได้ฝึกให้เราเช่นมีสติฝึกให้เรามีความอดทนฝึกให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะ แม้กรฝึกให้เรามีแม่ตากรุณาก็ได้นะความเจ็บความเจ็บป่วยก็ดีเหตุร้ายเหล่านี้เนี่ยมันสามารถจะฝึกเราได้หลายอย่างรวมทั้งฝึกเรื่องการปล่อยวางด้วยนะของหายเรากุ้มใจมากแต่พอเราได้คิดว่าต่อไปจะหายหนักวันนี้เนี่ยไอ้ที่นี่ที่หายนี่ยังเบาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราหลุดหรือปล่อยวาง หรือที่ยังปล่อยไม่ได้เนี่ยก็ให้เราลึกว่าหายแค่นี้เนี่ยยังทุกข์แล้วต่อไปถ้าเจอหนักกว่า น, นี้เนี่ยจะทำอย่างไรคนที่เงินหายแสนหายล้านเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ที่สุดของชีวิตนะจะต้องเจออีกถ้าไม่เจอวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเจอตอนจะตายเพราะว่าเมื่อเราจะตายเนี่ยเราต้องพัดพรากจากทุกอย่างเลยมีล้านก็หมดทั้งล้านนะ มีสิล้านก็หมด10ล้านมีร้อยล้านก็หมดส10บล้านเพราะความตายมันพรากจากเราไปทุกอย่างนี่ถ้าเกิดว่าเราทุกเพียงแค่เงินหายพันเงินหายหมื่นแล้วเราจะรับมือกับความสูญเสียพัดพรากที่มากกว่านั้นได้อย่างไรนันถ้าคิดแบบนี้เท่าเนี่ยก็ถือว่าไอการหายมันก็คือการบ้านที่ฝึกให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางเพราะถ้าเราเพราะการบ้านชิ้นนี้ถ้าเาสอบตกก็หมายความว่า เราจะต้องตกอีกหลายครั้งแล้วต้องทุกข์อยู่ไม่เลิกแต่ถ้าเกิดว่าเราผ่านเราสอบเราสอบผ่านมันก็ทาให้เรามีภูมิคุ้มกันที่จะรับมือกับความสูญเสียในวันหน้าที่ยิ่งกว่านี้ได้ให้มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการบ้านที่ฝึกเรานะไม่ใช่แค่ครูสอนสัจธรรมความจริงเรื่องความไม่เที่ยงแต่เป็นครูที่หรือเป็นการบ้านที่สอนให้เราปล่อยวาง รูสานี่เราฝึกสติก็ได้นะเวลาเจ็บเวลาปวดเนี่ยนะลองดูว่าเราจะป่วยแต่กายโดยไม่ป่วยใจได้อย่างไรเราจะปวดกายแต่ไม่ปวดใจได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องการฝึกสติได้เหมือนกันนะที่ที่นี่เรามีเดินธรรมยาตราทุกปีนะเดินกลางแดดเดินบางคนก็เดินถอดรองเท้าบางคนก็ไม่ไม่ใส่หมวกไม่ใส่ ไม่มีผ้าคลุมนะแดดก็ร้อนทางก็ทางก็ลำบากเราไม่ได้เดินเพื่อลนลงสิ่งว่าร้อนอแวแต่เดินเพื่อฝึกจิตด้วยก็จะให้การบ้านไปว่าทำไงเรากายร้อนใจจะไม่ร้อนทำไมกายทอย่างไรกายเหนื่อยใจไม่เหนื่อยอทำอย่างไรนะกายเมื่อยแต่ใจไม่เมื่อย อันนี้แหละคือการบ้านเพื่อการฝึกสติเพราะถ้าเรามีสติเนี่ยมันก็เห็นความเมื่อยความปวดของกายแต่ว่าใจไม่ปวดด้วยแล้วคนที่เจอร้อนถ้าถ้าไม่ฉลาดก็จะบน่นก็จะทุกข์ก็จะรำคาญก็จะงุดหงิดแต่คนที่ฉลาดก็จะมองว่าเออก็ดีนะมันเป็นการบ้านมาฝึกว่าทำยังไงเราจะไม่ใจเราจะไม่ร้อนไปกับกายนะให้ความเจ็บป่วยก็เหมือนกันความเจ็บป่วยก็สามารถสอนเราได้ว่า เออเราปวดปวดอยู่นี่เนี่ยนะทำยังไงเราถึงจะวางความปวดได้ให้มันปวดแต่กายแต่ว่าใจไม่ปวดอันนี้แหละเป็นโอกาสในการฝึกสติฝึกสมาธินะและในบรรยากาศแบบนี้ในโอกาสบบนี้างทีฝึกได้ดีนะมีหมอคนหนึ่งนะแกเป็นมะเร็งที่ที่ที่เอ่อมะเร็งลามไปถึงกระดูกนะก็จำเป็นมะเร็ง ที่ปอดแล้วก็มาลามไปถึงกระดูกเป็นอาจารย์แพทย์พอปวดมากๆเนี่ยปรากฏว่านอนไม่ได้ต้องนอนกอดเขา่าทุรนทุรายกระสับกระส่ายเหงื่อเนี่ยเม็ดใหญ่ๆปากนิซีดตัวก็ะซีดเรื่องนี้คุณหมอมาลาไลา่ฟังคุณหมอมาล า, ลาเนี่ยก็ ก็เลยแนะว่าลองทำสมาธิดูคุณหมออมาราก็แนะนำแล้วก็คิดว่าคนหมอคนเนี้ยคงจะทำสมาธิได้ไม่เกินห้านาทีเพราะว่าแกไม่เคยทำมาก่อนเลยแลวแถมเจ็บปวดมากช่วงนั้นายามันเอาไม่อยู่บอกว่าพอหมอเนี่ยลองทำตามที่คุณหมอนตามที่หมอเมาราแนะนำหายใจเข้าผู้ถายใจออกโท บอกว่าทําแล้วยิ่งทํายิ่งดียิ่งทายิ่งดีจนรทั้งสามารถเชีนนั่งตรงได้นั่งจนรทั่งถึงห้าสิบนาทีเป็นที่ประหลาดใจมากและที่แปลกคือว่าพอนั่งเสร็จเนี่ยผิวพันมีน้ำมีนวลเงื่อหายปากที่เป็นสีชมพูหน้าตาสดใสคุณหมอเราก็แปลกใจว่าไม่เคยทําสมาธิทาไมถึงทาได้ถึงห้าสิบนาที ก็ได้ความว่าหมอท่านนี้เนี่ยเป็นคนทํางานอย่างมีสติมีสมาธิเวลาทํางานเวลาตรวจคนไข้เนี่ยก็มีสติมีสมาธิสติสมาธิที่นํามาที่ใช้ในการงา น, นี่ก็เอามาใช้กับตัวเองเวลาปวดก็ได้ผลแต่ถ้าเกิดว่าคนคุณหมอคนนี้ไม่ปวดเนี่ยก็คงจะไม่ไม่รู้ว่าตัวเองมีความสามารถอย่างนี้หรือไม่รู้ว่าสมาธินี่มันสามารถจะช่วยได้นะ ให้ความเจ็บความปวดเนี่ยมันเป็นโอกาสนะในการที่เราจะฝึกสติฝึกสมาธิเจออะไรก็ตามเนี่ยนักปฏิบัติจะไม่จะไ ม, จะไม่จะไม่บน่นจะไม่เวไวยแต่จะมองว่าเป็นการเป็นการบ้านให้ฝึกเคยพาคนเดินจงกรมเนี่ยถอดรองเท้าแล้วก็เดินนะบนกรวดกรวยก็คมอยู่แล้วแต่ว่าพอเดินไปสักสามสี่วันก็ทำใจได้ แต่พอวันที่ห้าเนี่ยฝนตกตอนเช้ามดมันขึ้นเต็มไม่หมดเลยตลอดสองตลอดทางนะสมาสักเกือบกิโลไดนะ้คนที่เดินนี่ก็เดินไม่มีไม่มีความสุขเลยเดินแล้วตบเดินแล้วเดินแล้วปัดอยู่ตลอดเวลาหาหาสง่าราศีไม่ได้เลยนะแต่ก่อนบอกว่าเนี่ยลองเดินเนี่ยลองเจริญสติไปด้วยสิลองดูว่า อ ท, ทํายังไงถึงจะไม่ปวดใจ ท, ทํางไงถึงจะเห็นเวทนาเห็นความปวดแต่ใจไม่ปวดนะจริงๆก็ให้กําลังใจเขาว่าร่างกายเราทําได้จิตใจเราก็ทําได้ขอขอแต่เพียงว่าเราอย่าท้ออย่าถอยอย่ากลัวก็มีคนทํำนะมีคนทําแล้วเขาก็บอกเลยเนี่ยตอนที่ตอนที่ มดมันไต่ขึ้นมาตามขาเนี่ยเห็นใจที่มันมันบู้มันว่าขึ้นมาด้วยความกลัวพอดูใจที่มันบู้มันว่าเนี่ยใจก็ส ง, งบแต่พอส ง, งบปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามดเริ่มกัดเขาก็ดูเวทนาความปวดปวดเป็นจุดปวดเป็นเป็นวงมันมีหลายแบบนะมีทั้งแสบมีทั้งร้อนพอเขาดูความปวดเนี่ยเห็นกายกายมันหัวใจเต้นเร็วมือเกรง็ง เม้มปากนะเขาดูตลอดเลยดูอาการที่เกิดขึ้นกับกายดูเวทนาทเกิดขึ้นปรากฏว่าพอดูอย่างนั้นเข้าเนี่ยไอ้ใจที่มันเริ่มกระสับกระส่ายใจที่มันปวดเนี่ยมันก็ค่อยคลายกลายเป็นสงบความปวดมีอยู่แต่ใจสงบแล้วและกายก็เริ่มคลายไอ้ที่เคยเม้มที่เคยเกรงเนี่ยหายไปคลายไปมีแต่ความปวดแสดงตัวอยู่แต่ว่าใจนีิสงบ แล้วเขาก็ดีใจมากวันนี้โอ้เขาทําได้เพราะเขไม่เคยคิดว่าจะทำได้นะแต่ที่เขาทาได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาใช้เขาใช้โอกาสนี่มาเป็นเครื่องฝึกเพนั้นใครที่คนที่ไม่ฉลาดเนี่ยก็จะบน่นมันที่ก็จะต่อว่าว่าทําไมพามาเดินตรงนี้หรือว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นคิดแบบนี้ยิ่งทุกข์แต่คนฉลาดจะฉวยโอกาสว่าเนี่ยนี่เป็นเครื่องฝึกเป็นเครื่องฝึกสติของเรา ไม่ใช่ฝึกความอดทนอย่างเดียวนะฝึกอดทนเนี่ยมันยังต้องกัดฟันแต่ถ้าฝึกสติเนี่ยมันไม่ต้องกัดฟันมันไม่ต้องเกรงนะใจเนี่ยสบายใจนี่สงบแต่ความปวดมีนะแต่เป็นแค่ปวดกายเห็นความปวดเด่นอยู่แต่ว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่มารบ ก, กวนจิตใจแล้วคนที่จะทําอย่างนี้ได้ต้องเจอต้องเจอต้องเจอของจริงมันถึงจะเห็นว่าเราทําไดนะ้ถ้าคนที่พยายามหนีเนี่ยก็จะไม่จะไม่ก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ ไม่มีเครื่องไม่มีการบ้านที่จะฝึกตัวเองแบบนี้นั่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยให้เรามองว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราแม้จะไม่ดีเนี่ยต้องโชว์โอกาสว่าทำไงเราถึงจะทําให้เป็นประโยชน์ได้ทางที่เบสเนี่ยเขาเขาเขาใช้ความเจ็บปวดเนี่ยเป็นเครื่องฝึกเมตตาจุนนะเขาฝึก<น>ขนาดนี้เลยว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมะเรง็งไม่ว่าจะเป็นเอสเนี่ยขเข า, าบอกเนี่ยต้องเอามาใช้ให้เป็นเครื่องมือ นะในการฝึกให้จิตมีปัญญาแล้วก็เมตตาปัญญานี่มันก็พูดไปแล้วว่าอันนี้มันเตือนใจให้เราเห็ น, นความไม่เที่ยงของชีวิตนะบางคนสามารถที่มองเห็นถึงว่าโอ้กายนี่ไม่ใช่ตนกายนี่ไม่ใช่เราก็ามไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้แต่ทางทิศเบรนี่ยังมองว่าฝึกเมตตากรุณาได้ด้วยฝึกอย่างไรก็ฝึกว่าให้เขาเวลาที่เราปวดเนี่ยมันจะ ม, ม, จะมีมันจะมีโทสะมากเลยแล้วนะคนที่ปวดเนี่ยจะมีโทสะมาก โกรธทั้งชะตากรรมนะว่าทําไมถึงต้องเป็นเราโกรธร่างกายนี้ว่าทําไมมันมันมันโหดร้ายกับเราอย่างนี้ให้ร่างกายสับปรังเค็มมันเป็นเป็นอย่างนี้เมื่อที่โกรธคนน้องคนนี้ว่าทําไมเขามีความสุขแต่เราทุกข์นะอาจจะโกรธโกรธแห่งกรรมว่าโกรธแห่งกรรมนี่ทําไมเป็นอย่างนั้นเราสาทำความดีมาตลอดแต่ทําไมถึงต้องมาเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราลองฝึกนะให้เจริญเมตตา มันก็ทําได้ทางที่เบ็คก็ฝึกว่าเนี่ยให้ลองนึกว่าเนี่ยความทุกข์ของเราเนี่ยนี่เรากําลังทุกข์แทนสรรพสัตว์ในโลกนี้สรรพสัตว์ในโลกนี้มีความทุกข์มากแต่ว่าเราขอรับความทุกข์ของสรรพสัตว์นี้มาไว้ที่ตัวเราเรากําลังเจ็บปวดเรากําลังทุกข์แทนสรรพสัตว์ในโลกแล้วขอให้ความเจ็บปวดของเรานี้ช่วยทําให้สรรพสัตว์เนี่ยได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเจ็บปวดได้มีความสุขสบาย แล้วคนที่ทําอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือเมตตากรุณาจิตเป็นกุศลแล้วปรากฏว่ามีหลายคนนะที่เขาสามารถจะหายประสับประสายทุรนทุรายได้บางคนเนี่ยปรากฏว่าโรคมันหายไปได้เหมือนกันนะจากการภาวนาแบบนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะมันก็มีมันก็มีเคสแบบนี้อยู่นะโดยศัย<ส>เขาก็เชื่อว่าเป็นเพราะว่า เมตตากรุณาที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันก็สามารถจะช่วยเยียวยาไม่ใช่แค่ช่วยเยียวยาจิตใจที่กำลังทุกข์ทรมานแต่สามารถจะเยียวยากายที่เจ็บปวดได้นะอันนี้เป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนต้องเป็นการฝึกที่ต้องอาศัยต้องอาศัยความใจถึงเหมือนกันนะเพราะว่าคนเวลาปวดเนี่ยเขาจะไม่อย่างลึกถึงใครนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสอย่างดีในการที่จะบ่มเพาะเมตตากรุณาได้ ศัตรูนะศัตรูก็เป็นการฝึกให้เรามีเมตตาฝึกให้เรามีความอดทนนะทางทิเบตเนี่ยเขามองเลยว่าเนี่ยเวลาถ้าเร า, า, เ, ราเวลามีใครมาคิดร้ายเรามีใครมาทําร้ายเราเนี่ยให้ลองให้ลองให้นึกเสียว่าเนี่ยเขกากําลังมาสอนให้เราเป็นเป็นผู้ที่มีความอดทนกำลังมาฝึกให้เราเนี่ยมีความอดทนให้ตะหน่าวันเนี่ย เขามีเมตตากับเรามากนะ่นเนี่ยเพราะเขากําลังฝึกให้เรามีความอดทนอย่างสูงเลยนะให้เราขอบคุณเขาว่าเขากําลังสอนให้เราเนี่ยมีความอดทนแถ่เมตตาให้เขาด้วยนะแค่ศัตรูเนี่ยมันจะไม่สามารถมาทําร้ายจิตใจเราได้ถ้าเราถ้าเรามองแบบนี้นะแต่ตรงกันข้ามใจเราจะสงบใจจะเป็นสุขและเมตตากรุณาเราจะมากขึ้นนะ คำติชินนินทาก็จะไม่สามารถทําอะไรเราได้เพราะเรามองว่านี่เขากําลังสอนธรรมะแก่เรานะว่าสารเสริญกับ น, นินทาเป็นของคู่กันนะเมื่อวานนี่ยังมีเขายังชมเราอยู่เลยวันนี้เขานินเขานินทาก็ติเตียเราแล้วหรือเขากําลังสอนให้เราเขากำลังฝึกให้เราเนรู้จักปล่อยวางกับกับกับคำสารเสริญเพราะถ้าเราเพลินกับความสารเสริญเราก็จะทุกข์กับคําตําหนิ นะเนี่ยก็เราสามารถจะใช้ใช้คำตำหนิเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกใจเราให้ให้มีความอดทนให้ฉลาดนะนะแล้วก็ให้มีความสามารถในการปล่อยวางได้ดีขึ้นอันนี้ถ้าพูดเรียกลมๆก็คือว่าเป็นการช่วยโอกาสทุกอย่างเพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกตน ถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราเราจะไม่กลัวภัยอันตรายใดๆเราจะไม่กลัวความเพล่พล่สูญเสียเราจะไม่กลัวความเจ็บความปวดด้วยซ้ำเพราะเรารู้ว่าเราสามารถจะเอามันใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่แต่คอยหนีไม่ใช่แต่คอยสู้อย่างเดียวแต่สามารถทำให้เป็นเพื่อนสามารถจะเปลี่ยนให้กลายเป็นปัญญาและกรุณาได้อันนี้เป็นการฝึกตนที่ที่คิดว่าชาวพุทธเราควรจะทานะ ก็เชื่อพอสมควรเก็บเวลาแล้วอ่ะกลับพักความกัน